สิกขาบทที่สีว่าด้วยการฉันของเคียวของฉันเมื่อห้ามพระทหารแล้วเรื่องภิกษุณีฉันหลายที่ในมือเดียวกัน1037สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพรามคนหนึ่งนิมนต์ภิกษุณีทั้งหลายให้ฉันพวกภิกษุณีฉันแล้ว ห้ามพัฒหารแล้วพากันไปตระกูลญาติภิกษุณีบางพวกยังฉั้นอีกบางพวกนําบิณฑบาตกลับไปครั้งนั้นครามนั้นได้กล่าวกับเพื่อนบ้านผู้คุ้นเคยดังนี้ว่านายทั้งหลายเราเลี้ยงภิกษุณีให้อิ่มนําแล้วเชิญมาเถิดเราจะเลี้ยงพวกท่านให้อิ่มนําบ้านเพื่อนบ้านผู้คุ้นเคยเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่านายท่าน จะเลี้ยงพวกเราให้อิ่มได้อย่างไรแม้พวกภิกษุนีที่ท่านนิมนต์แล้วก็ยังต้องไปเรือนพวกเราบางพวกยังฉันอีกบางพวกก็นำบิทธาบาดกลับไปพราหมณ์ตำหนิประนามโพนธนาว่าขณะพวกภิกษุนีฉันที่เรือนเราแล้วยังไปฉันที่อื่นอีกเล่าเราไม่สามารถที่จะถวายให้พอแก่ความต้องการหรือภิกษุนีทั้งหลายได้ยินพราหมณ์ตำหนิประนามโพนธนา